ตอนที่28ดพิธีขึ้นครองราชสองวันต่อมาณนะตําหนักต้าซิงชูหลิงได้รับรู้ถึงราชศกใหม่ของเขาเจิ้งถงเมื่อได้ยินชื่อราชศกนี้ชูหลิงถึงกับอึ้งไปราชศกเดิมที่เตรียมไว้สําหรับจั ก, กรพรรดิองค์ใหม่คือหย่งชางแต่ราชศกของเขาคือเจิ้งถง สำหรับชูหลิงแล้วเขาแทบไม่อยากจะเชื่อว่าภายใต้การตัดสินใจของสามฝ่ายหลังรัชศกที่ถูกกำหนดให้เขาจะมีความหมายไม่ธรรมดาเช่นนี้ดูเหมือนว่านี่จะเป็นการประกาศอะไรบางอย่างต่อใต้ล่าทว่าวเมื่อทราบเรื่องผ่านหลี่จงชูหลิงกลับยิ่งรู้สึกประหลาดใจมากขึ้นไปอีกในบรรดารัชศกต่างๆที่สำนักจงซูร่างขึ้นในตอนแรกนั้นไม่มีชื่อรัชศกนี้อยู่เลยห่วงทเทาทรงพอพระไทยชื่ออันอูส่วนหองเฮาทรงพอพระไทยชื่อหย่งเหอ แต่เมื่อเริ่มไปถึงไทห่วงไทฮากลับไม่มีความคืบหน้าใดๆออกมานั่นทําให้การเลือกปีรัชศกต้องชะงักงันไปในที่สุดจนกระทั่งในวันต่อมามีข่าวแพร่ออกมาจากตําหนักช้างเล่าว่าไทห่วงไทฮาทรงตัดสินพระไทยเลือกชื่อเจิ้งทงโดยพระองค์เองเรื่องนี้ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมไม่น้อยมีผู้คนเข้าออกตําหนักเฟิ่องลวนและตําหนักช้างชิวกันให้ขวักขวาทว่าตําหนักช้างเล่กลับไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อเรื่องเหล่านั้นในท้ายที่สุดปีรัชศกจึงถูกกําหนดเป็นเจ้งงถ เบื้องหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่กลับไม่มีใครล่วงรู้ได้เลยเหตุใดที่ห่วงที่เฮาถึงทรงทําเช่นนี้ชูหลิงที่ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้เกิดความโงนในใจเขาแน่ใจอยู่อย่างหนึ่งว่ารัชศกเจิ้งทงนี่มีความหมายต่อเขาอย่างยิ่งแต่เขามีดีอะไรที่จะทําให้ที่ห่วงที่เฮาทรงทําถึ ง, ถงเพียงนี้ชูหลิงคิดอย่างไรก็คิดไม่ตก และสิ่งที่ทําให้ชูหลิงยิ่งไม่เข้าใจเข้าไปใหญ่คือการที่ฮวงไทเหฮาและฮองเฮาทั้งสองพระนางกรับยอมรับพระชสมนี้ในภายหลังโดยไม่ได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายใดๆตามมายากแท้จะอย่างถึงชูหลิงคิดจนหัวแทบแตกก็ยังไม่เข้าใจว่าสตรีผู้สูงศักดิ์ทั้งสท่านนั้นกําลังคิดอะไรอยู่แต่เขาก็ไม่มีเวลาให้คิดเรื่องเหล่านี้นานนักเมื่อปีรัใหม่ถูกกาหนดเป็นเจ้างงตําหนักต้าสิงก็เริ่มคึกคักขึ้นมาทันทีมีผู้คนมากมายเริ่มเข้าออกและชูหลิงก็กลายเป็นคนที่ยุ่งที่สุด ต้องเรียนรู้มารยาทและพิธีการต่างๆต้องวัดตัวตัดชุดสารพัดต้องทําเรื่องต่างๆมากมายจากสุดตรงด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งแม้ชูหลิงจะปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วแต่การที่ต้องทําเรื่องมากมายในเวลาอันสั้นเช่นนี้ก็ทําให้เขาเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากทว่าจะมีใครสนใจหรือไม่ว่าชูหลิงจะเหนื่อยเพียงใด ในฐานะจักรพรรดิผู้สื่อพราชสันติวงศ์แห่งตาอาวีมีบางเรื่องที่ชูหลิงจำเป็นต้องแบกรับแม้จะเป็นเพียงเด็กน้อยแม้การสืบราชบัลลังก์ของเขาจะก่อให้เกิดข้อพิพาทมากมายแต่ในเมื่อพิธีขึ้นครองราชกำลังจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้ทุกอย่างต้องถูกวางไว้ข้างหลังก่อนและต้องจัดการเรื่องสำคัญตรงหน้าให้ดีที่สุดอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีคำอธิบายให้แก่ใต้ล่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนถึงคืนก่อนวันพิธีขึ้นครองราชในคืนนั้นมีหิมะโปรยปลายลงมา ชูหลิงยังไม่นอนเขานั่งนิ่งอยู่บนแท่นบันทมังกรราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างหรืออาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยดวงตาของเขามองตรงไปยังจุดหนึ่งอย่างเมื่อลอยตื่นเต้นหรือเพคะท่ามกลางความเงียบสงัดภายในตําหนักเสียงหนึ่งพันดังขึ้นว่านชิวเอ๋อเดินออกมาจากมุมหนึ่งนางยินงคงมีท่าทางเช่นเดิมขณะเดิน ม, มาหยุดตรงหน้าชูหลิง ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้มีผู้คนมาที่ตําหนักต้าสิงมากขึ้นว่านชิวเอ๋อร์จึงมักจะอยู่ข้างกายชูหลิงเสมอแม้จะมีหลายคนสงสัยในตัวนางกํำนันผู้นี้แต่ก็ไม่มีใครเอ่ยปากถามทิ่ทีขึ้นครองราชใกล้เข้ามาแล้วทุกคนต่างมีหน้าที่ของตนเองไม่มีใครอยากให้เกิดข้อผิดพลาดในช่วงเวลานี้เพราะสถานการณ์ในราชสำนักนั้นช่างพร่ามัวและซับซ้อนเหลือเกินอ๋อขอแทรกเรื่องนอกเรื่องสักนิดตําแหน่งอาัคารเสนาบดีฝ่ายซ้ายในสํานักจงซูว่างลงแล้ว การลาออกของสวีชูนั้นห่วงเทฮาทรงเป็นผู้อนุมัติเรื่องนี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วราชาสำนักไม่มีใครคาดคิดว่าการลาออกของสวีชูจะได้รับการอนุมัติจากห่วงเทเฮาซึ่งทำให้หลายคนเริ่มจินตนาการไปต่างๆนานาชูหลิงเองเมื่อทราบเรื่องก็ประหลาดใจเช่นกันก่อนหน้านี้เขาคิดว่าพอจะมองสตรีทั้งสมท่านออกบ้างแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะยังมองไม่ทะลุ ป, ปรุ่งเสียทีเดียวแต่นั่นมันเกี่ยวอะไรด้วยเล่า ลำพังแค่เรื่องต่างๆที่ต้องเตรียมสำหรับพิธีขึ้นครองราชก็ทำให้ชูหลิงยุ่งจนไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นความวุ่นวายที่เขาไม่ได้เป็นคนกำหนดเองเช่นนี้เป็นสิ่งที่ชูหลิงไม่ชอบเอาเสียเลยแต่เขาไม่มีทางปฏิเสธได้เป็นความจริงที่ว่าเมื่อคนเรายุ่งจนเกินไปย่อมไม่มีความสามารถในการขบคิดคนเราจะกลายเป็นเหมือนหุ่นเชิดที่คอยทำเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาซึ่งดูเหมือนจะมีความหมายแต่กลับไร้แก่นสาร มีผู้คนมากมายที่ต้องสูญเสียปณิธานไปในสถานการณ์เช่นนี้และสุดท้ายก็เลือกที่จะประนีประนอมกับความเป็นจริงอาจจะตื่นเต้นละมั้งชูหลิงเงียบไปนานก่อนจะหันไปมองว่านชิวเ อ, อ๋อแล้วเจ้าละ่ะได้ยินว่าพรุ่งนี้เจ้าต้องตามเสด็จไปด้วยนี่หม่อมฉันจะตื่นเต้นไปทําไมกันเพคะว่านชิวเอ๋อกล่าวคนที่จะเป็นจักรพรรดิไม่ใช่หม่อมฉันเสียหน่อยฮ่หาฮ่าก็จริงของเจ้าชูหลิงอดหัวเราะไม่ได้เขามองว่านชิวเอ๋อด้วยรอยยิ้ม ดูเหมือนที่เจ้าพูดมาจะไม่มีอะไรผิดเลยนะอืมเจ้าพูดเก่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยอาจจะเพคะ่ะว่านชิวเอ๋อร์มีท่าทางสงบนิ่งขณะมองชูหลิงแล้วถ้าข้าไม่นอนเจ้าจะทำอย่างไรเมื่อเห็นว่านชิวเอ๋อร์กลับมาเย็นชาเหมือนเดิมชูหลิงก็ไม่ได้โกรธเคืองแต่กลับย่ะแย่นางแทนก็นางเฝ้าเพคะ่ะว่านชิวเ อ, อ๋ออบอย่างเรียบเฉยงั้นก็มานี่สิชูหลิงยื่นมือออกไปพลางบอกกับว่านชิวเ อ, อ๋หืม ว่นชิวเอ๋อขมวดคิ้วเล็กน้อยมองชูหลิงด้วยความระแวดระวังเจ้าคิดอะไรอยู่ชูหลิงยิ้มข้าเพิ่งจะแต่ขบเองนะที่ข้าเรียกเจ้ามาก็แค่อยากให้เจ้านั่งลงเทค่ะว่นชิวเอ๋อรับคําแต่นางก็ยังไม่ขยับขยื่นช่างเป็นคนที่น่าสนใจจริงๆชูหลิงยังคงรอยยิ้มไว้แต่ในใจกลับครุ่นคิดเงียบเงียบเขาพบว่าว่านชิวเอ๋อผู้นี้ดูเหมือนจะซ่อนความลับไว้มากมายเพียงแต่เขายังเข้าไม่ถึงเท่านั้นเองใช่แล้ว คนเราที่เกิดมาบนโลกนี้ไม่ว่าใครจะมีหัวนอนปลายเท้าอย่างไรหรือฐานะทางบ้านเป็นแบบไหนต่างก็มีความลับด้วยกันทั้งนั้นภายใต้ข้อสรุปบางอย่างความลับคือสิ่งที่มีค่าที่สุดเพียงแต่เมื่อมีกรอบของโลกคราวาดเข้ามาครอบงาความลับจึงกลายเป็นสิ่งที่สามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันได้ก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่ายินดีจะสอนค่าขี่มา้ายิงธนูคําพูดนั้นยังนับอยู่หรือไม่ชูหลิงมองไปที่ว่านชิวเวคืนนี้เขาคงนอนไม่หลับแล้วอีกไม่นานก็จะรุ่งสางสู้ไม่นอนไปเลยจะดีกว่านับเพคะ ว่านชวเอ๋อพยักหน้าดีมากชูหลิงยิ้มเราให้ข้าเสร็จสิ้นพิธีขึ้นครองราชก่อนแล้วจะค่อยสอนข้าก็แล้วกันเอ๊ะว่านชวเอ๋อมองชูหลิงด้วยความประหลาดใจนางไม่เข้าใจว่าชูหลิงที่ถูกจำกัดสิทธิ์ไปเสียทุกอย่างเหตุใดถึงคิดว่าตนเองจะสามารถเรียนขี่ม้ายิงธนูได้ทำไมหรือเมื่อเห็นท่าทางของนางชูหลิงจึงถามขึ้นเจ้าคิดว่าข้าจะเรียนไม่สำเร็จอย่างนั้นหรือหาไม่ได้เพคะ ว่านชิวเออปฏิเสธหากจากักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์อยากเรียนหม่อมฉันก็สอนได้ส่วนเรื่องอื่นไม่ใช่สิ่งที่หม่อมฉันควรจะเก็ตมาคิดเพคะ่ะความจริงเจ้าก็คิดไปแล้วนี่เปล่าเพคะ่ะภายในตำหนักมีเสียงสนทนาระหว่างชูหลิงกับว่านชิวเออร์ดังขึ้นเป็นระยะเวลาค่อยๆล่วงเลยไปทีละนาทีทีละวินาทีความจริงแล้วสำหรับชูหลิงเขาก็มีความตื่นเต้นอยู่บ้าง เพราะนี่คือครั้งแรกที่เขาจะได้เป็นจักรพรรดิและเป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสกับพิธีขึ้นครองราชแม้จิตใจของเขาจะเข้มแข็งเพียงใดแต่ชูหลิงก็ตระหนักดีว่าหลังจากพิธีขึ้นครองราชสิ้นสุดลงอาจจะมีวิกฤตที่ใหญ่หลวงกว่าเดิมรอเขาอยู่อย่าถามว่าเขารู้ได้อย่างไรมันคือสัญชาตญาณ น, นี่คือปฏิกิริยาตอบสนองโดยสัญชาตญาณที่เขามีมาตั้งแต่ชาติก่อนทุกครั้งที่กำลังจะมีปัญหาเกิดขึ้นและภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ท้องฟ้าก็ค่อยๆสว่างขึ้นตึกๆึก เมื่อเสียงฝีเท้าที่เร่งรีบดังขึ้นจากภายนอกตําหนักต้าซิงชูหลิงก็รู้ได้ทันทีว่าพิธีขึ้นครองราชที่เป็นของเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว